พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสี่ปัญจตยสูตรมิชาทิฏฐิเรื่องตายเ่าศูนย์ตายเ่าย่างยืนว่าด้วยความเห็นผิดห้าประการสามหมวดวาทาเกี่ยวกับขันส่วนอนาคตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแหละ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายด้วยเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสมณพรามพวกหนึ่งกำหนดขัน์คือสัพพสิงส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขัน์ส่วนอนาคตปารารับขัน์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือหลังจากตายแล้วพวกหนึ่งว่าอัตตาที่มีสัญญาเป็นของยั่งยืน สัญญาคือความจําได้หมายรู้พวกหนึ่งว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญาเป็นของยั่งยืนพวกหนึ่งว่าอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบัน รวมความว่าสมณพราหมูพวกหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีอยู่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติความขาดสูญความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่บ้างบัญญัตินิพพานในปัจจุบันบ้างวาทแสดงทิฏฐิเหล่านี้ขยายเป็นห้าประการแล้วย่อเป็นสามประการย่อเป็นสามประการแล้วขยายเป็นห้าประการดังนี้แหละ นี้เป็นอุเทศของวาทะแสดงทิฏฐิห้าประการสามหมวดสัญญีวาทะหมวดละแปดภิกษุทั้งหลายในสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพ ร, ร, ราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจะตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็มีใช่ยั่งยืนหลังจะตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาอย่างเดียวกันยั่งยืนหลังจะตายแล้วบ้าง บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาต่างกันยั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณมิได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างแต่มีสมณพราหมณพวกหนึ่งกล่าวยืนยันวิญญาณนกศิลปของอัตตาที่มีสัญญาเหล่านี้ ซึ่งล่วงไปแล้วนั้นว่าหาประมาณมิได้ไม่หวั่นไหวสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งกล่าวยืนยันอากินจัญญายตนะหาประมาณมิได้ไม่หวั่นไหวว่าไม่มีอะไรสัญญาที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมเขากล่าวว่าล้ำเลิศไม่มีสัญญาอื่นยิ่งกว่าสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบ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 ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปก็ม่ใช่ไม่มีรูปก็ม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมผู้มีอสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้าน สมณะปรามโมที่มีบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรรอบสัญญาเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญานี้แหละสงบปราณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดี สมณพราหมลาใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเป็นไปไม่ได้ที่สมณหรือพรามคนใดคนหนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจาักบัญญัติการมาหรือการไปการจุดติหรือการเกิดความเจริญความงอกงามหรือความภัยบุญเว้นรูปเว้นเวทนาเว้นสัญญาเว้นสังขารเว้นวิญญาณ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 ซึ่งไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจะตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจะตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่มีรูปก็ม่ใช่ไม่มีรูปก็ม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจะตายแล้วบ้าง ในเนวสัญญีนาสัญญีวาฏะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีเนวสัญญีนาสัญญีวาัะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวนฝี เป็นดุดลูกสรความไม่มีสัญญาเป็นความหลงความมีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่นี้แหละสงบปราณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณะพราหมณ์เหล่าไดเหล่านึงบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่ว่าย่างยืนหลังจกตายแล้วดังนั้นภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เราได้เหล่าหนึ่งบัญญัติการเข้าถึงอายตนะนี้คือเนวะสัญญาณสัญญายตนะโดยเหตุเพียงสิ่งที่พึงรู้แจ้งคือสัญญาที่รู้แจ้งได้ทางโทวานห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายโดยได้เห็นได้ยินและได้ทราบสังขารหยาบการบัญญัติของสมณะหรือพราหมณ์เช่นนี้เขากล่าวว่า เป็นความพินาษของการเข้าถึงอายตนะนี้ความจริงอายตนะนี้บัณฑิตไม่กล่าวว่าพึงบรรลุด้วยการมีสังขารแต่ท่านกล่าวว่าอายตนะนี้พึงบรรลุด้วยการมีสังขารที่เหลือคือสังขารละเอียดสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่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 ความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่คือเชื่อว่าตายแล้วศูญย์ในอุชเชทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมูผู้มีอุชเชทวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายัาย่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหม พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้แม้ทั้งหมดยอมถือการเวียนไหวในชาติหน้ากล่าวยืนยันความหวังอย่างเดียวว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นเช่นนี้เราละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นเช่นนี้ข้อนี้หมายถึงตายแล้วสูญสิ้นไป เรียบเหมือนพ่อค้าไปค้าขายย่อมมีความหวังอย่างนี้ว่ารอจากมีกําไรจากการค้าเท่านี้เพราะการค้าขายเที่ยวนี้รอจากได้กําไรเท่านี้ภิกษุทั้งหลายตถาคกรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณรามพวกที่บัญญัติความขาดสูญความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่เป็นผู้กลัวสกายะคือกายของตนหรือขันห้า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 เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิสษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเราได้เ่าหนึ่งกําหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิ ต, ต่างต่างหลายประการสมณะพรามเ่านั้นทั้งหมด ประกาศวาทะแสดงทิฏฐิ ต, ต่างๆ5ประการนี้เท่านั้นหรือประกาศส่วนใดส่วนหนึ่งของวาทะแสดงทิฏฐิ ต, ต่างๆ5ประการนี้วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีตภิกษุทั้งหลายมีสมณพรามพวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตปรารภขันธ์ส่วนอดีต ประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือสมณพราหม์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงได้แก่หนึ่งอัตตาและโลกเที่ยง 2. อัตตาและโลกไม่เที่ยง 3. อัตตาและโลกมีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยง 4. อัตตาและโลกเที่ยงก็ม่ใช่ไม่เที่ยงก็มีใช่ห อัตตาและโลกมีที่สุด 6. อัตตาและโลกไม่มีที่สุด 7. อัตตาและโลกมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุด 8. อัตตาและโลกมีที่สุดก็ม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ม่ใช่ 9. อัตตาและโลกมีสัญญาอย่างเดียวกัน 10. อัตตาและโลกมีสัญญาต่างกันสิอ อัตตาและโลกมีสัญญาเล็กน้อย 12. อัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณไม่ได้ 13. อัตตาและโลกมีสุขอย่างเดียว 14. อัตตาและโลกมีทุกอย่างเดียว 15. อัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์6อัตตาและโลกมีทุกข์ก็มิใช่มีสุขก็มิใช่ แต่ละข้อนั้นสมณพราหมณ์แต่ละพวกกล่าวยืนยันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิข้อใดข้อหนึ่งในส6บข้อข้างต้นนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ยานเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดพองซึ่งเป็นธรรมะอื่นจากความเชื่อจากความชอบใจ จากการฟังตามกันมาจากการตรึกตามอาการจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้จะมีแก่สมณพราหม์เหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์พุดธพองสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ส่วนแห่งความรู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอุปาทานของสมณพราหมณ์เหล่านั้น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 ภิกษุทั้งหลายเพราะการมาสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตได้สมณะหรือพระรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่นีแหละสงบปราณีต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 ภิกษุทั้งหลายเพราะการมาสั่งโยต์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิ t อยู่ด้วยสาคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุข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 จึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละเกินทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละเกืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเพราะก้าวลวงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวลวงสุขอันปราศจากอามิ t ได้ สมณาพรามบางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แหละสงบปราณีตอทุกขมสุขเวทนานั้นคือความไม่ทุกข์ไม่สุขของเธอย่อมดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิ t h จึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิ t h ดับไป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 ภิกษกุทั้งหลายเพราะการมาสังโยชนตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอนนันคล้อยตามขันส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอนนันคล้อยตามขันส่วนอนาคตเพราะก้าวลวงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิ t h เพราะก้าวลวงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงพิจารณาเห็นว่า เราเป็นผู้สงบระ ง, งับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปาทานภิกษุทั้งหลายตถากรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีนี้แหละท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่เอื้ออำนวยให้ถึงนิพพานอย่างเดียวโดยแท้แต่สมณะพราหมณ์นี้เมื่ อ, อยังถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขันส่วนอดีตก็ชื่อว่ายัางถือมั่นอยู่ เมื่อถือมั่นท mm ิฏ hmm. ฐ oh. ิอันคล้อยตามขัน์ส่วนอนาคตก็ชื่อว่าอย่างถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกามสังโยชน์ก็ชื่อว่าอย่างถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นปีติอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นสุขอันปราศจากอามิตรก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่หรือเมื่อถือมั่นอทุกขมัสุขเวทนา ก็ชื่อว่าอย่างถือมั่นอยู่แม่ข้อที่ท่านผู้นี้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปาทานนั้นบัณฑิตเรียกว่าอุปาทานของสมณพราหมณ์นี้สิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่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 ปสายตนาหกหมายถึงความประจวบ ก, กันแห่งอายตนาภายในกับอายตนาภายนอกมี6คือ 1. จักขุสัมผัสความกระทบทางตา 2. โสตะสัมผัสความกระทบกันทางหู 3. าคานะสัมผัสความกระทบกันทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสความกระทบกันทางลิ้น 5. ากายสัมผัสความกระทบกันทางกาย 6. มนโนสัมผัสความกระทบกันทางใจหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมัน่นแปลจากคำว่าอนุปาทาวิโมกโดยปกติหมายถึงนิพพานแต่ในที่นี้หมายถึงอรหัตตะพละสมาบัติ